ทิฐินอกศาสนาสมัยนั้นคือเมื่อประมาณก่อน 2,500 ปีเศษโน้นภาคพื้นชมพูทวีปเต็มไปด้วยขณาจารย์เจา้าลัทธิต่างๆประชาชนกำลังหันมาสนใจกับปัญหาชีวิตคือเรื่องเกิดเกิด ต, ตายตายและเรื่องสุขสุขทุกๆซึ่งถ้าจะพูดอย่างทุกวันนี้ก็ต้องว่าการค้นคว้าปรัชญาแห่งชีวิตกาลังเฟื่องอย่างถึงขนาด เป็นอย่างนี้มาก่อนพระพุทธเจ้าออกทรงผนวดย่อมเป็นธรรมดาเหลือเกินเมื่อผู้คนกำลังสนใจในทางไหนมากก็มักจะมีคนแสวงหาความดีความเด่นในทางนั้นคนชาวชมพูทวีปก็เหมือนกับคนไทยเรานี่แหละสมัยใดคนฮือฮาเครื่องรางของขลังสมัยนั้นก็มีอาจารย์มากตามปกติที่เราเคยรู้เคยเห็นคน ขนาดอาจารย์คงกระพันต้องเป็นคนอายุอานามมากแล้วแต่ถึงกราประชาชนแตกตื่นหาเครื่องรางกันมากๆอาจารย์หนุ่มๆก็เกิดขึ้นแยะหนักเข้าแม้แต่เด็กน้อยก็กลายเป็นคณาจารย์ได้เหมือนกันหรืออย่างทุกวันนี้พุทธศาสนิกชนสนใจทางวิปัสสนาพากันศึกษาพระอภิธรรม ก็มักจะมีคนที่แสดงตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิปัสนาเป็นอันมากเรื่องเช่นนี้จะโทษใครไม่ได้เป็นเรื่องของโลกไม่เตี่ยงแท้แน่นอนในชมพูทวีปก็เหมือนกันในยุคที่มหาชนคือกันในทางคนา้นคว้าเกี่ยวกับปรัชญาชีวิตเกิดเกิด ต, ตายตายก็มีคนที่มีหัวคิดแหลมหาช่องทางเอาดีเอาเด่นในทางนั้นคือพอคิดค้นได้เหตุผลแปลก ก็ประกาศออกไปใครที่มีคนหันมานิยมนับถือมากก็ตั้งเป็นคณาจารย์ต่อมาใครไม่ได้รับความสนใจก็หายเงียบสาบสูญไปการล่วงเลยมาตามลำดับจนถึงระยะที่พระพุทธเจ้ากำลังทรงประกาศศาสนาปรากฏว่าบุคคลที่เป็นเจ้าลทัทธิชั้นครูจริงๆมีชื่อในํำนานทางพุทธศาสนาหกคนด้วยกัน คนเหล่านี้มีทิฏฐิไม่ลงกับทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงว่าความเห็นของพวกครูทั้งหคนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเป็นความเห็นผิดและตามที่ทราบกันว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงสนพระไัยในการที่จะวิพากษ์วิจารทิฏฐิเหล่านั้นเท่าไหรนะ่นักโดยทรงอธิบายพระพุทธประสงค์ว่าไม่มีประโยชน์ในการที่จะนำมาวิจาร พระองค์ไม่ได้มุ่งที่จะให้พุทธศาสนิกไปเสียเวลาในการประชันความเห็นกับคนภายนอกแต่ทรงสอนให้ศึกษาในทางที่ถูกและปฏิบัติตนให้หลุดพ้นฉะนั้นเวลาตรัส ถ, ถึงทิฏฐิภายนอกศาสนาจึงตรัสเพียงแต่ว่าเป็นความเห็นผิดเท่านั้นเขาพระเจ้าเห็นว่าการที่พระองค์ไม่ทรงวิจารณทิฏฐิของคณาจารย์นอกศาสนาอย่างจังจังย่อมเป็นผลดีแก่การประกาศพุทธศาสนาเปน็นอันมาก ถ้าทรงค้านจังๆคณาจารย์เหล่านั้นตลอดจนสานุสิทธิ์ของเขาซึ่งมีอยู่คนละมากๆก็จะต้องประกาศตัวเป็นศัตรูกับพระพุทธศาสนาและอาจเป็นได้เหมือนกันที่ครูทั้ง6คนนั้นจะรวมกันเข้าเป็น6แรงแข่งข้อและพร้อมกันแอนตี้พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาใหม่สำหรับคนยุคนั้นคิดดูแล้วน่าหนักใจ ในความเข้าใจของข้าพเจ้าอีกเหมือนกันที่เห็นว่าการบำเพ็ญพุทธกิจของพระพุทธเจ้าในระยะนั้นพระองค์ไม่บำเพ็ญพระองค์เป็นฝ่ายลุกรานเจ้าลัทธิเก่าๆนั้นเลยมีแต่ทรงมุ่งประกาศ พ, พระธรรมของพระองค์เท่านั้นถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ทรงใช้วิธีติดต่อกับเจ้าลัทธินั้นๆอย่างฐานะมิตรนอกจากนั้นก็เป็นฝ่ายตั้งรับเมื่อถูกเจ้าลัทธิบางคนรุกรานด้วยวาถา ยิ่งพิจารณาไปก็ยิ่งเห็นพระปรีชาสามารถอันสูงส่งของพระองค์ข้าพเจ้าเองคิดเสมอว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพียงแต่รู้ธรรมะอย่างดีที่สุดเท่านั้นแต่หากยังสามารถในการเผยแผ่ธรรมะด้วยพุทธอุบายอันยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเจ้าลทัทธิเดิมของชมพูทวีปในสมัยนั้นด้วย